ไอป่าอย่างที่ว่าเนี่ยเขามาเข้าใจเลยเขาเคยเข้าไปป่าที่หนึง่งที่อำเภอนาจะลวยเนี่ยอำเภอนาจะรวย์เนี่ยถามโงเรีองเขาจะรู้ดินาจะรวยใกล้ฝั่งลาวต่อเขตลาวต่อเขตเขมรเนี่ยแถวนั้นเนี่ยไปแล้วได้กําไรกลับมาก็คือได้เชื่อมลาเรียกกลับมาแต่ดีว่าเพื่อนเขาเป็นมากก็เลยเราก็ไปเจาะเลือดด้วยก็เลยเจอตอนที่ยังไม่กําเริบเนี่ยนะตอนที่ไม่ก็ไม่กําเริบมันก็เลยค่อยอยังชั่วหน่ย เพราไอป่าเนี่ยนะบางคนที่เราว่าดีๆเหลือเกินเนี่ยต้องสํารวจตรวจสอบให้มันมันดีจริงไหมล่ะไปอยู่แล้วเนี่ยไปอยู่ทําอะไรสติปัตยไปอยู่เจริญสติปัฏฐานและสติปัฏฐานคําสอนสอนว่าอย่างไรนะแต่ไม่แน่นะบางองค์เอาสติปัฏฐานสูตรไปเลยไปถึงระไปถึงก็ทองเลยพิจนะอ่าพิกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัะนนะั้น แฟนกุรุณ ห, หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่านิ ค, นนคมชื่อว่ากรรมมาสธรรมะณนะที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอะไรเงี้ยก็ไปท้องระเสติประธานสูตรมันก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยอะนะมันก็ดีกว่าไปคิดอย่างอื่นไปนั่งฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าไปอยู่ป่าแล้วแหมไปนั่งแกะรอยสัตว์เออตรงนี้มีเม่นนะเนี่ยตรงนี้มีชมด ต, ตรงนี้มีตะกวดตรงนี้มีอเห็นตรงนี้มีโอ้ก็ไปนั่งว่าที่นี้มีสัตว์ป่าอะไรบ้างกลายเป็นเจ้าหนะ้าที่สํารวจพันธุสัตว์ป่าไปแล้ว บางมันก็ไม่ใช่เองพันสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏหมายเขาว่าไปอยู่ฟุ้งซ่านไปอยู่แบบพรานเนื้อไปอยู่แบบคนตัดไม้ทําลายป่าหรือว่าไปอยู่แบบคนชนิดไหนพันจะต้องกําหนดจดจํากําหนดทิศทางให้ดีว่าไปอยู่ทําอะไรอยู่ในป่าใส่ใจในคําสอนได้ไหมใส่ใจในคําสอนได้ไหมวันหนึ่งอยู่ป่านี้มีเวลาส่วนตัวเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยนะไม่มีทอะไรทําไม่มีใครจะมาเดินผ่านไปผ่านมานี่เงียบได้ยินแต่เสียงจักจั่นอะไรเนี่ยนะ โอ้ยตอนแรกที่บวชเข้ามาเนี่ยไปหาที่แบบนั้นนะมันลึกที่สุดเท่าที่มันจะหาได้ในตอนนั้นกขาบอกไอ้ที่ลึกตรงนั้นบินทบาด5กิโลบอกมันยังไม่สะใจเดินให้มันไปอีกเข้าไปลึกอีกให้มันได้สิบกว่ากิโลเนี่ยนะไปอยู่ที่นี่เขอ ย, ยังชั่วเป็นสั ม, มเนนทาําไงก็เอาเข้าวสารไปด้วยสิเขาเนี่ย <c oughs> ไปหงชันเองก็ได้นั่นนะบินทบาดไม่ไหวอยู่ไปอยูม่มันก็เง้อมันก็มีแต่ต้นไม้ไปทําอะไรเจอเพื่อนไปไปด้วยกันมันก็ไม่มีธรรมะอะไรอยู่แล้วนะ ก็ไม่ได้เรียนอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากอยู่ป่าแค่นั้นนะมันก้ดีไปอ่านหนังสือประวัติภาคป่ า, ามนดีเลือเกินอยู่ป่าเนี่ยนะก็เลยไปอยู่บ้างตกลงก็ไม่ได้อะไรสักอย่างที่ไม่ได้อะเพราะไม่ใช่ว่าป่าไม่ดีแต่ว่าคนมันไม่ดีเนี่ย น, นะก็คือคนไม่มีกรรมฐานไปไปอยู่ทำอะไรไม่มีอาวุธเลยอย่างกายคตาสติก็เจริญไม่เป็น นะกายคตาสติกายานุปัสนาสติประธานทั้ง14บสี่บพะเจริญไม่เป็นเพราะถ้าไปพิจารณากระดูกเข้าอยู่ในป่าไม่รู้จะกลัวผีต่ออยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะอะไรแกรกหน่อยมันก็เริ่มกลัวแลยล่ะท่านสติอะไรจะไปอยู่สติมันลอยหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่ทราบใจก็ฟุง้งซ่านนะนะท่าะคนที่อยู่ป่าเนี่ยนะนท่านถ้าหากว่าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเรียกว่าไม่รู้จักพาเวตปธรรมไม่รู้จักวิธีการเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญ คนที่เรียนปฏิสัมพิธามรักมาแล้วเนี่ยนะหรือเรียนถ้าสุตระสูตรมาเนี่ยทำหนึ่งที่ควรเจริญก็คือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญเจริญเป็นไหมเนี่ยนะเมื่อไปอยู่เนี่ยถ้าตอนนี้ยังไม่เป็นไปอยู่ตรงนั้นมันไม่เป็นหรอกเว้นไว้แต่ไปอยู่ตรงนั้นนะไปกับอาจารย์ที่เก่งมากถ้ายัางงี้ไม่มีปัญหาเพราะท่านจะสอนเราเองท่านจะดูแลเราทั้งหมด น, นะนะท่านจะรับผิดชอบเราแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยนะเราก็เป็นใหญ่ตามเดิมไปอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมเนี่ยนะ กลับมาก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละดีไม่ดีหนักกว่าเก่าอีกไปไหนก็โฆษณาเอาแต่ป่ามาขายกินเนี่ยนะจริงไอไปอยู่ในป่าใจไม่ได้อยู่ในป่าอะไรเลยเนี่ยนะใจอยู่แต่ในหมู่ว่านเป็นต้นมันก็ไม่ใช่อยู่ป่าแล้วทั้นก็ว่ากายานุ ป, ปัสสนาดีไหมสมถาวิปัสนาเมื่อไปอยู่ป่าเจริญไหมถ้าใจฟุ้งซ่านด้วยกามวิตกแก้อย่างไงถ้าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแก้อย่างไงถ้ากลัวผีขึ้นมาแก้อย่างไงถ้าอยู่ๆแล้วมันเบื่อขึ้นมาแล้วทํำยังไงเนี่ยนะ ข่มไว้เธอใจเอ้ยเนี่ยไม่เชื่อหรอกนะนะ่พันก็ต้องดูว่าวิธีเจริญสมถาวริปัสนาเป็นไหมวิธีเจริญสมาธิเป็นไหมเจริญอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจเจริญเป็นไหมสมาธิมีวิตกเป็นยังไงสมาธิที่ไม่มีวิตกอย่างมีอย่างไรสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เป็นอย่างไรสมาธิไหนที่มีปีติสมาธิไหนที่ไม่มีปีติสมาธิไหนที่ประกอบด้วยอุบเบกขาก็ต้องไปเจริญฝึกเจริญ หรือว่าสติปัฏฐานสีกายานุปัสนาเป็นต้นเป็นอย่างไรสมาธิที่ประกอบเป็นด้วยองค์ห้าเจริญเป็นไหมอนุสติหเป็นต้นเนี่ยน ะ, จะเจริญเป็นไหมคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติปลื้มใจในศีลของตนไหมจาคานุสติตลอดจนถึงเทวตานุสติจเจริญเป็นไหม หรือแม้กระทั่งว่าโพธชงเจ็สติสัมโพธชงเป็นต้นเจริญอย่างไรเจริญให้เป็นอะไรเจริญเพื่อไปถึงไหนอริยมรรคมีองแปดเนี่ยนะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อ น, นําออกจากทุกเนี่ยเจริญเป็นไหมแล้วก็โยนิโสเป็นมูลเก้านี่ยนะหรือความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์เ้าเจริญว่าอย่างไรกรสินสิบเจริญว่าอย่างไรถ้าหากว่าไม่รู้วิธีการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไปอยู่มันก็อยู่ได้ป่าก็ได้ชื่ อ, อเคยอยู่ป่ามา ไปที่ไหนก็คือการอยู่ป่านี่มันก็มันก็อันหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นที่มาของการเรียกร้องหาลาบสการะได้ค่อนข้างง่ายว่าก็อยู่ป่ากับไม่อยู่ป่าเนี่ยนะถ้าประชาชนาวประชาจะนับถือเ้านับถือใครเขาก็นับถือคนที่อยู่ป่าอยู่แล้วนี่เมื่อนับถือคนที่อยู่ป่าไม่งั้นเราจะไปได้อะไรล่ะคะเนี่เอามันก็ได้ลาบสการะมาเข้ามาไปที่ไหนก็บอกโอ้ยเป็นนักอยู่ป่ามานะก็กลายเป็นว่าเอาคำเหล่านี้เป็นน้ําลายแตกฟองสแสวงหาลาบสการะ สแสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของคําสอนไม่ใช่วิธีข้อปฏิบัติที่อยู่ในคําสอนเพราะฉะนั้นป่าชนิดนั้นอย่าอยู่มันดีที่สุดเพราะอะไรกุศลก็ไม่เจริญอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่สิน้นคือธรรมเนี่ยนะเขามีธรรมหนึ่งที่ควรละธรรมสองที่ควรละเมื่อไปอยู่ในป่านั้นแล้วเนี่ยนะละ ทำหนึ่งที่ควรละละมานะอะไรได้บ้างเมื่อไปอยู่ป่ามาแล้วเนี่ยละมานะอะไรได้ออกบ้างเมื่ออยู่ป่าอย่งงางนั้นแล้วเนี่ยนะละทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตันหาอาวิชากับตันหาที่นําไปสู่พบใหม่เนี่ยละได้บ้างไหมไปอยู่แล้วตันหาสามละได้ไหมไปอยู่แล้วโอฆาสีอาสวะสีคันธะสีนนะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ละได้บ้างไหมนิวรห้ากลุ่มรวมไหมนะตันหารูปตันหาสัทธตันหาตันห า, ายาหกละบ้างหรือเปล่า น, น, นะนะแล้วอนุาสัยเจเป็นยังไงการมราคานุสัยปฏิคาอนุสัยภาวราคาอนุสัยเป็นต้นอนุสัยแต่ละอย่างมันละได้ยังไงข้อปฏิบัติเราใดที่เป็นไปเพื่อละอนุสัยเหล่านั้นแล้วปฏิบัติอย่างไรเป็นมิจฉามรคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฐิตรึกอย่างไรเป็นมิจฉาสังกปะ พูดอย่างไรเป็นมิจฉาวาจาทำยังไงเป็นมิจฉากรรมนตะเลี้ยงชีวิตอย่างไรเป็นมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะขยันอย่างไรเรียกว่ามิจฉาวายามะระลึกอะไรเรียกว่ามิจฉาสติมันทําไมมันจึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิเนี่ยนะมันเพราะอะไรก็ เ, เจริญดูพิจารณาดูแล้วก็ตันหาเป็นเหตุให้เกิดการสแสวงหาสแสวงหาเป็นเหตุให้ได้ลาบ การได้ละเป็นเหตุให้เกิดวินิจฉัยแบ่งปันวินิจฉัยแบ่งปันเป็นเหตุให้เกิดการยึดถือว่าเราวะของเราเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ละได้บ้างไหมเนี่ยนะแล้วสังโยต์ทั้ง10เนี่ยนะหรือมิชตะสิบเนี่ยละได้ไหมมิชายานะมิจฉาวิมุตเป็นยังไงอย่างไรเรียกว่ารู้ผิดอย่างไรเรียกว่ารู้ถูกอย่างไรหลุดพ้นผิดอย่างไรเรียกว่าหลุดพ้นถูกพะันไอสิ่งที่ควรเจริญจเจริญเป็นไหมสิ่งที่ควรละละบ้างไหมอะไรที่ควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งบ้างไหม ผลผลที่ควรได้รับจากการประอยู่ป่าเช่นอกุ ป, ปาเจโตววมุติอารหัตตผลเนี่ยมันแนวโน้มมันเปอร์เซนต์มันจะมีไหมหรืออารหัตตผลนี่มันคืออะไรหรือแค่สําคัญผิดเฉยๆไม่ได้บรรลุแต่สําคัญว่าได้บรรลุไม่มีคุณธรรมแต่สําคัญว่ามีคุณธรรมเนี่ยนะนะหรือไม่ก็ทํำสองอวิ ช, ชากับวิมุตเป็นยังไงวิ ช, ชาเป็นอย่างไรวิมุติเป็นอย่างไรเมื่ออยู่แล้วเนี่ยนะวิ ช, ชาสาม ระลึกชาติเป็นยังไงรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเป็นยังไงข้อปฏิบัติเหล่าไหนที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะสามัญญผลสี่เป็นยังไงโสดาปฏิผลมีวีเแววกับเขาบ้างไหมสกอ า, าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลเนี่ยนะแม้กระทั่งอะอเสขะธรรมหา้ากองศีลอันเป็นอเสขะสมาธิอันเป็นอเสขาปัญญาวิมุตติยานุทัศนะอันเป็นของพระอเสขะเป็นไปได้ไหม จะเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมเหล่านี้ไหมแต่ก็อย่างว่าถ้าไม่มีเป้าหมายให้ดีๆตั้งกแรกไปอยู่ป่ามก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์ในการเจริญคําสอนเลยแต่ถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไปอยู่ป่าจะได้ไปกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้ไปเพื่อละในสิ่งที่ควรละไปเพื่อทําให้แจ้งคุณธรรมที่ควรทําให้แจ้งไปเพื่อเจริญในคุณธรรมที่ควรเจริญถ้าอย่างนี้มันก็ได้ดีอยู่แล้วละ่นะนัพระองค์สรนเสริญ แต่ถ้าไปอยู่แล้วไม่เข้าใจข้อปฏิบัติว่าจบลงอย่างไรปฏิบัติให้เป็นอะไรเบื้องต้นเป็นอย่างไรท่ามกลางเป็นอย่างไรที่สุดเป็นอะไรสมัยก่อนนี้เขาเรียนธรรมะเบื้องต้นแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรค เขาเขาธรรมะเนี่ยเขาฟังธรรมระดับนั้นเข้าเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเอาเบื้องต้นไปทํำยังไงท่ามกลางไปคิดอะไรในที่สุดแล้วบรรลุผลออกมาเป็นอย่างไรเขาสอบถามเป็นอย่างดีจากพระพุทธเจ้าจนไม่สงสัยและพระองค์ก็ยอมรับว่าเออไปเถอะพระองค์ก็อนุญาตให้ไปเมื่อเข้าไปแล้วก็ออกพรรษากลับมาก็มาบอกว่าท่านเป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ยนะท่านก็ทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้น อันนี้แหละคือประโยชน์ที่สําคัญของการอยู่ป่าไปอยู่ในสถานที่ที่เหลียกรเณรนั้นป่าเหล่าใดตรงกันข้ามไปแล้วไม่เลยเนี่ยนะไปแล้วไม่เลื่อมใสในคำสอนเพิ่มขึ้นเลยไปแล้วไม่สติประธานก็นเงียบสมัตประธานก็หายอิทธิบาทก็ไม่มีเลยเนี่ยนะโพษอินทรพละโพษชงองมักอู้หายเงียบไปหมดเลยนะไปอยู่แล้วเหมือนอะไรนะเหมือนลูกคนกําพร้า เหมือนถูกเขนประเทศไปอยู่เกาะตาลุเต่าเงี้ยนะเหมือนกับถูกในประเทศไปอยู่เกาะอยู่ดอยอยู่อะไรเรียกว่าไรเรียกว่าเหมือนกับไปอยู่เลี้ยงปัสสตว์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยนะไปอยู่เลี้ยงปัสสตว์เนี่ยไปอยู่เนโอ้ยเมื่อไร่จะเย็นนาะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านก็อยู่แค่เนี้นะก็ถ้าไปเลี้ยงปัสัตว์เนี่ยเขามาเคยเลี้ยงปัสสตว์อยู่หลายปีเนี่ยนะรู้เลยว่าเออไปอยู่ในป่าเนี่มันเงียบจริงๆเลยนะเงียบมีกระท่อมอยู่ปลายนาปลายป่าบางทีก็ไปอยู่ป่าลุกเนี่ยนะ ตอนไปจากหมู่บ้านทั้งหลายกิโลเนี่ยไปเลี้ยงดีก็ 3- 4กิโลเนี่ยไปพันไอเงียบเงียบแบบนั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบวชเข้ามาแล้วไปอยู่ป่าลึกลึกจากหมู่บ้านเป็น10กิโลเข้าไปเนี่ยนะที่มันอันตรายใกล้ระเบิดก็ไปมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาหรอกเพราะอะไรพระสําคัญว่าเราไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเนี่ยนะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรด้วยซ้ําไปไม่รู้ด้วยว่าพระธรรมคําสอนพระองค์สอนอะไรพระสงค์ที่ปฏิบัติแล้วพ้นทุกท่าน ปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้เป็นอย่างไรพ้นรับออกมามันควรจะเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมารู้ก็ไปปฏิบัติของใครก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็ชอบคนไหนก็ว่าไปตามคนนั้นแหละไปว่าไปว่ามามันก็ขัดกันเองเพันธุ์อันนี้ต้อสังเกตใส่ใจให้ดีเลยสําหรับผู้ที่ฝักใฝ่ปรารถนาเพื่อการปฏิบัติปรารถนาที่จะไปอยู่ลีกเก้นหาป่าหาเขาเป็นต้นเนี่ยสูตรนี้เป็นเครื่องสํารวจตรวจสอบเป็นอย่างดีเลย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 ก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปั จ, จัจสี่เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวนบินทบาทเนาสนาสนักกีฬานะปั จ, จัจเพศศัพ์บริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้โดยยากดูความพิสูน์ทั้งหลายพิสูจนนั้นควรหลีกไปเสียจากป่าชัดนั้น รู้กลางคืนก็ไปในกลางคืนหรือรู้กลางวันก็ไปในกลางวันไปตอนไหนก็ไปเถอะอย่าอยู่เลยว่า ง, งั้นหมายควาว่าไปกลางคืนก็ได้ไปกลางวันก็ดีไม่ว่ากันนะนะไปเถอะอย่าไปอยู่ต่อไปเลยถ้ายิ่งอยู่ต่อก็ยิ่งเสื่อมเอาถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วยิ่งหมดตัวนี่ถามว่าน่าอยู่ไหมล่ะอ้าวไม่น่าอยู่อยู่แล้วยิ่งอยู่แล้วยิ่งขาดทุนฉันใดที่ได้อยู่แล้วกุศลที่เคยเกิดแล้วมันไม่เกิด อกุศลที่ยังไม่เคยเกิดมันก็เจริญเอาเจริญเอาเนี่ยนะบุญที่เคยมีมันหายไปหมดบาป ท, ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นเอ๊ะทำไมเราเนี่ยเคยดีกว่านี้แล้วทาไมมันเลวลงเนี่ยนะทำไมมันเลวลงเลวลงหรือความดีทำไมมันลดลงขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกระว่าไปอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรือว่าไปอยู่เจริญกรรมฐานบางทีพระเนเนี่ยบางทีมันก็เข้าใจผิดพลาดเหมือนกัน เจอเพื่อนที่อยู่ป่าหลายคนเอาไปเอามากลายไปเป็นเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้ดูแลโดยที่ไม่มีเงินเดือนนะว่าโอ้ยผมเนี่ยนะไปเที่ยวดูอยู่ป่ากวาดดูแลแต่ต้นไม้เหมงอนกันกลัวไฟมันจะไม่ป่าโอ๊ยดูแลป่าเป็นสองพันไร่เหมงอนกันอยู่คนเดียวว่ากว่าจะกวาดรอบสองพันไร่ยังเอ้ยเนี่ยนะวัน ว, น ว, นวนกวาดกันทางไฟนะ เจออย่างเงี้ยหลายองค์เนี่ยนะเวรกรรมอะไรก็ไม่ทราบล น, นะแล้วท่านก็มีความสุขแหมท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากได้ดูแลป่าตั้งสองพันไร่แต่ในที่สุดแบกไม่กวาดไม่ไหวกว่านี้กลับมาอยู่ทิ้ง น, นะก็เป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่แล้วก็เดือดร้อนอัตคัดขาดแทนบินทบาตตั้งหลายกิโลเนี่ยนะกว่าจะได้นนะนะ ก, ก็รู้จักหลายองค์นะที่ที่อยู่ตามป่าอย่างที่กล่าวไปแล้ว แต่ที่แน่ๆอยู่แล้วไม่อยู่ใกล้คําสอนเลยห่างคําสอนมากอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสารมากว่าไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้เจริญคุณธรรมที่ควรจะเจริญเนี่ยนะบางทีก็เน้นไปอยู่นั่งหลับตาไอ้นั่งหลับตาไม่ว่ากันนะปัญหาแล้วใจนะมันคิดอะไรอยู่ถ้าใจคิดคําสอนไม่ใช่ปัญหาไอ้หลับตาเนี่ยตาถ้าดูแล้วฟุ้งซ่านหลับไปเถอะมันดีอยู่แล้วล่ะไม่ว่ากันเนี่ยนะ แต่ทีนี้ไอ้สำคัญและใจนี่มันคิดอะไรใจนี่เจริญสติปัญญาเป็นไหมใจเจริญสติสัตทินรีย์เป็นไหมเจริญวิริยินทรีย์เป็นไหมสติินีสมาตินรีพี่เจรณาอย่างไรมันจึงจะเห็นอริยสัตว์มันไหนๆก็จะเอาใจเข้าว่าต้องการจะฝึกใจให้มันสงบสงบแล้วมันจะรู้อะไรเนี่ยนะต้องสอบสวนทวนความให้มันชัดเจนเลยนะเกี่ยว่าทิศทางการปฏิบัตินั้นต้องชัดเจนนะถนนแห่งการปฏิบัติถนนเนี่ยนะถนนเรียกว่ามรัก ถนนแห่งการปฏิบัติทิศทางของการปฏิบัติชัดเจนขนาดไหนตรึกอะไรใส่ใจอะไรพิจารณาอะไรนั่นแหละที่สาระสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนี้ก็ถือว่ามีเวลาเป็นส่วนตัวเยอะมากเนี่ยนะคนที่อยู่ป่านี่มีเวลาส่วนตัวมากพร้อมที่พอที่จะทํากิจอะไรได้สําหรับคนที่มีสุตตะมากอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสันเสริญในการอยู่ในที่หลีกเกรนในสถานที่เงียบๆ เ, เช่นนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆนะนะสําหรับคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยนะ อยู่ณนะตามหมู่บ้านเป็นต้นถ้าเทียบก็ อ, อยู่ป่าแล้วอยู่หมู่บ้านเดือนหนึ่งอยู่ป่าวันเดียวดีกว่าอือคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะสติสมาธิเป็นต้นเนี่ยเจริญ ง, งอกงามกว่าอยู่ป่าเป็นเดือนเอออยู่บ้านเป็นเดือนอยู่ป่าวันเดียวนะว่าทําอะไรโอ้อะไรจะเหงาเท่ากับอยู่ป่าอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะไม่เชื่อไปอยู่คนเดียวไม่มีหนังไม่มีริเกไม่มีเพลงไม่มีหนังสือนวนิยายไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ตัวกระ บ, บาดเนี่ยนะ มีแต่ตัวก็มีร่มอันหนึ่งกันยุงอ่ะออกมาข้างนอกไปยุงกัดต้องเดินอย่างเดียวแล้วเดินเดินทําอะไรเนี่ยนะจะรู้เลยเนี่ยนะจะทราบซึ้งเลยว่าเอออยู่ป่าแล้วมันจะได้อะไรบ้างนาะเนี่ยนะต่อไปข้อ236ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอสุหะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยไม่บรรลุอะไรเลยอยู่กีปก่ปีกี่ปีก็แล้ ว, วกันส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวณบินทบาทเสนาสนะและขีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารเหล่าใดที่บรรพชิต จำเป็นต้องนำจำเป็นต้องนมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก